หมวดที่สองกิสุททั้งหลายสงพึงระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงตัดชนียกรรมอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทํานองเดียวกัน 3. ไม่ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 4. ไม่ตำหนิ ก, กรรม หาไม่ตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แล